แสดงธรรมตานทั้งหลายเป็นผู้ฟังมีผู้ฟังมีผู้พูดในเรื่องธรรมะเาว่าธรรมะนี่คือเป็นกลางกางถ้ามีการกระทาเกิดขึ้นจึงแบ่งกันถ้ามีสติเรียกว่ามีธรรมเป็นปล่อยกุศลถ้ามีความหลงก็เป็นธรรมปล่อยอกุศลเป็นผิดเป็นถูกเป็นสุขเป็นทุกข์ไปชีวิตเรายังเลือกทานันทีมันถูกต้อง สิ่งไหนไม่ถูกต้องก็ไม่ต้องทำที่นี่สิ่งที่ไม่ถูกต้องมันเกิดขึ้นเมื่อเราทำนามาติดตัวเราแล้วก็แก้ไขตรงนั้นแต่น้ำก็พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากวิธีใดที่เราต้องหัดฝึกหัดตัวเองที่ไม่ให้ความผิดที่เกิดจากการธกรทของเราเกิดขึ้นได้ก็คือมาปฏิบัติธรรมปฏิบัติธรรมคืออย่างไร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 เมื่ออยู่วัดนี่มันดีคิดว่าจะไปสู้กับโลกได้พอออกไปแล้วก็ยังไม่ไปทึงไหนเลยความชั่วความทุกข์เกิดขึ้นบ่อยเมื่อมันมีความทุกข์ความทุกข์เกิดขึ้นจึงค่อยแจ้ไขอันนั่นก็เงินหาเช่าจินคำหาวันนี้จินวันนี้ถ้าจะเป็นคนอาชีพมีฐานะก็ยังจนอยู่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 ไปเผาศพไม่เคยมอดห้าพันปีมาฝังแม่น้ำคงคาเป็นศาสนาเก่าแก่มันเข้าสายเลือดไม่อาศัยตนเองเอาศัยล่างบาปด้วยการอาบน้ำได้บุเพราะการ่อนวอนเทพเจ้าต่างๆตะบนก็ทำนอกกายไปหมดเลยตะบนอุทิศให้พ่อให้แม่พปซื้ออาหารไปให้ปลาหินพราพ่อแม่ระหมตายไปเอาไปลอยอังคารในน้ำเจ้าพ่ออาคงคา ถือว่าแม่น้ำของาเป็นที่เกิดของเทพเจ้าถ้าอะไรตกประโยู์ที่นั่นก็ถือว่าบาปก็กลายเป็นบุญวิธีจาบุญหาบรนปูหลุษของเขาซื้ออาหารไปให้ปลาปลาก็อยู่ในานา้ําบางทีประชาชนคนเขาเวลาจะไปไหนตื่นแต่เจ้าไปปลูกพระเจ้าคือไปลงอาบนา้ําอยู่ในแม่ น, านามม้ำของขาไปล้างหน้าไปดื่มนมม้ำของขาเพื่อไปปลูกพระเจ้าคือน้ํา ให้ติดตัวเราไปไปเรื่องกันตลอดวันกลับมาตอนเย็นมาอาบอีกมาล้างบาปไปนอนแลนอนไม่ได้ทำบาปเวลาตื่นขึ้นมาก็ไปปลกกพระเจ้าคือแม่น้ำพงกาอาบน้ำเพื่อให้พระเจ้าติดตัวปีเป็นวันวันทุกวันไปการนอนวันการกระทําพิธีต่างๆเทพเจ้าไม่รู้จะเอาองไหนมากมายเหลือเกินใครเชื่ออะไรก็สร้างขึ้น ทำเป็นลูกไปไว่ายในแม่น้ํำคงคาให้อยู่ในแม่น้ำคงคาวางเป็นก้อนปูนก้อนอิดก้อนเห็นไว้ดีกระทาเป็นลูกหลายลูกเขาว่าเขาได้บุญเขาก็ว่าเขาทําถูกต้องถ้าเราอยู่ที่เนี่ยเราไม่มีแม่น้นาําของคาเราจะละบาปได้ไหมเราจะทำํำบุญได้ไหมต้องไปประเทศินเดียต้องไปอาบแม่น้นาําของคาแล้วก็ไม่จําเป็นไม่เป็นสากลไม่เป็นศัตรูธรรมถ้า ความดีความชั่วอยู่นอกตัวไปมันก็ทำไมาได้มันต้องอยู่ในเราแท้ๆล่ะพระพุทธเจ้ายัางสอนเรื่องกรรมฐ า, านเนี่ยน่ารักที่สุดเลยกรรมฐ า, านเนี่ยกรรมคือการกระทำฐานคือที่ตั้งอยู่ตั้งไว้ที่ไหนทำที่ตรงไห น, ไน ต, ตั้งไว้ที่กายที่ใจเราเนี่ยเอาสติมาตั้งว่าที่กายมันก็มีอยู่กายสติก็มีอยู่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 สัพพชาเวทนาแค่สัมผัสแต่ว่าก็พอได้อยู่เห็นอะไรก็ไปทำเสร็จนั้นไม่ต้องทำได้ไหมให้มันเสร็จไปซะรู้แล้วเท่านี้ก็พอมันสุกก็รู้แล้วมันทุกก็รู้แล้วมันพอใจก็รู้แล้วมันไม่พอใจก็รู้แล้วไม่ใช่ไปทำอะไรมันก็ง่า ย, ายแต่เราก็ทำยากเพราะทำไม่ถูกขั้นตอน อันทีก็ต้องไปอดเวลามันโกรธเวลามันทุกข์ไปอดไปชนต้องหลบต้องหลีกต้องละต้องเว้นไม่เห็นเฉยเลยเป็นการดีหนีไปหลับหูหลับตาเมื่อจะเป็นต้องเห็นไม่พูดเฉยเลยเป็นการดีก็ไปแช่แบบนั้นเมื่อจาเป็นต้องพูดก็พูดแบบมีสติเป็นการดีก็มีแต่การบ้านถ้าเราทำให้ไปเจ็ดจ้า มันก็เพียงกิดรู้แล้วรู้แล้วมันมีอะไรที่จะไม่รู้สิ่งที่มันรู้อย่างนี้เรียกว่าปัญญามันรู้จากกองักขานที่ตั้งอยู่ในกายมันตั้งอยู่ในใจของเรารู้หมดรู้ครบรู้ทวนพรล้วทำให้จบลงมันจบเป็นรวมทุกข์ก็จบเป็นรวมสุขก็จบเป็นรวมอะไรต่างๆปัญหาอะไรต่างๆมันจบเป็น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 บางคนจะไปเมืองนกอกเขาก็มาให้เราผูกป้ายผูกแขนให้หลวงพ่อเอาทําให้เขาขเขาก็ยังอยากได้ป้ายอยากให้ผูกแขนเหมือนอยู่กับการกระทํามันก็ยังไม่เอาจะเอาป้ายผูกแขนบางคนก็ขอลดละมนบางคนก็ทำอะไรต่างๆที่ให้เป็นวัตถุทั้งๆที่วัตถุเหล่านั้นมันไม่ช่วยเราได้ก็บอกว่าป้ายผูกแขนเนี้ย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 ปัญหาที่เกิดเพื่อาปก็ไม่เรารู้มันจบแล้วถ้าไปอาศัยอันเด่นอันเดินมาช่วยเราถือว่ายังไม่ใช่สัจธรรมเป็นสมมุติบัญญัติสมมุติบัญญัตินี่พอใช้ได้แต่ไม่ดีมากนั้นเราเขียนคัดลายมือไปตรวจอวัยาาบอกว่าพอใช้ได้เพราะว่ายังไม่สวยถ้าเราคัดต่มันสวยขึ้นดีมากดีที่สุดถ้าเป็นนักธรรม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 รู้จักลบรู้จักดีการเคารพไม่ใช่กลังเกียดการไปเสียดไม่ใช่หลังเกียดติเราเคารพเราไม่ทำเหมือ น, นเขาเราเคารพเราทำเหมือนเขาเลือกได้เลือกทำละในโลกนี้มีสิ่งที่ให้ให้เราเลือกเยอะๆประสบการณ์เยอะๆมากมายก็อยู่ที่เราแท้ๆละการปฏิบัติธรรมน่ะเป็นกบเป็นก ร, รมขึ้นมาแต่ว่าวิธีเนี่ยวิธีตีสร้างความรู้สึกตัว ถ้าทำไม่ถูกเป็นทุกข์ปฏิปทามาก็ยากเพรานั้นเราไม่รู้อะไรที่มันควรจะรู้ไม่รู้แตพิสตพืพยไม่ค่อยใส่ใจนั้นก็ก็ยากอยู่พอเราทําลงไปสร้างจังหวะลงไปเดินจังกวนลงไปอะไรมันลุมเข้ามาไปแก่ไปแก่ความคิดบ้างความทุกข์บ้างความงงเหงาหอนอนบ้างปัญหาที่มันเกิดขึ้นคอยจะแก้ หาครับก็ทําไมทําไมไม่ได้อะไรเลยวันนี้มีวันนี้ไม่ดีอย่างนั้นมันท่มันยากถ้าทําลงไปมีสติเนี่ยมันไม่มีอะไรยากเลยรู้เท่านั้นก็พอมันงงก็รู้แล้วไม่ใช่ควา ม, มงงจะเป็นการแค่รู้แล้วมันคิดไปก็รู้แล้ววันทกุก็รู้แล้ววันโศกก็รู้แล้วมีประโยชน์ทั้งความผิดมีประโยชน์ทั้งความถูก ตัวรู้ตัวเนีเ่เอามาเป็นตัวรู้ทั้งหมดเลยอันทุกข์ก็รู้น่ะได้ไประโยชน์มันหลงก็รู้ไม่เสียหายสติเนี่ยมันขนาดนั้นแหละอันสุข ก, ก็รู้นะสติตัวนันไม่ใช่เป็นอันเดื่นไปอันทุกข์ก็รู้คือสติมันหลงก็รู้คือสติมันอะไรเกิดขึ้นก็ตามคือสติคือรู้จึกตัวคือรู้จึกตัวมันจริงง่ายๆนะหลวงพ่อเคยปฏิบัติทำ ประสบการณ์กับการปฏริบัติธรรมของตนเองเนี่ยมันก็ไม่ใช่ซื่อบือ้อมันได้ศึกษาอะไรมาต่างๆมันก็หาคํำตอบหาเหตุหผลเพ่อเอาความชอบเอาความไม่ชอบไปต่อรองกับอะไรต่างๆเสียเวลามากความชอบความไม่ชอบไม่ใช่ตัวรู้ตัวรู้มันไม่มีอันตัวชอบไม่ชอบมันที่แต่ตัวรู้เท่านั้นไม่แต่ตัวรู้เท่านั้นมันต้องเป็นตัวรู้อันเดียว ใครจะแก้อะไรก็ตามไม่ให้คนอื่นแก้เราแจ้เองเรารู้เราเเเ ร, าราู้มันหลงก็รู้ไม่ได้ทำอะไรมันผิดก็รู้มันถูกก็รู้มันทุกข์ก็รู้เพราะเรารู้ทําไมยังมีตัวรู้เพราะเรารู้ไม่ได้เป็นอะไ ร, รก็ง่ายเข้าม า, เ, าเราเดินจงกรมเราก็รู้เนี่ยเวลามันผิดเราก็รู้เวลามันเกิดคิดขึ้นมาทางใดทางไหนทางใดอะก็ตามเรารู้ไม่เสียหาย มันไม่เหมือนเราขุดดินทำร้อยทำนาอาหนันมันก็มันทำเสร็จเป็นต้องมีการกระทำแล้วดำนาเนี่ยทำแปลงใหญ่ก็ต้องรีบักหน่อยต้องใช้เวลามากต้องขยันแล้วก็เสร็จเป็นแปลงเป็นแปลงไขุดดนินก็ได้หลุมหนึ่งเม็ดหนึงยาวเม็ดหึงลึกเม็ดหึงไอ้หลุมหนึ่งมัก็เสร็จเป็นได้เงินไปเท่ากันสมมติว่าหลุมละเจ็ดสิบาท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 ถ้าคนขุดร่องแปลงไปดังไปเหนื่อยเขาไม่เป็นไรหรอนไม่เป็นไรหนักไปเป็นไรทําสบายมันก็ง่ายกว่ากันแม่ตากแดดอากาศอุณหภูมิมันเท่ากันแต่การสิ้นพลังงานอาจจะต่างกันก็ชี้ว่ายากกว่าจะได้เงินเจ็ดสิบาทเราไม่ใช่ไปว่านั้นมาเป็นผลเราทาไปเราทําไปอันบุญอันกุศลมักผลให้ผ่านไม่ใช่เงินเจ็ดสิบาท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 เราจึงควรมีสถานที่อย่างนี้บ้างมีพระสงฆ์มีผู้ดูแลมีผู้จักชวนมีผู้พูดก็นั่งพูดอยู่นี่มีเสียงภาษาสื่อภาษากลรูกกันนะเจ้าอะไรอีกพวกเรานี่คือประเทศไทยไม่ใช่พาพวกท่านเปนไนว้น้ำเจักพยาอ่าใจงามกรงกาโยมอนุเคราะห์เราน้ำมันประเทศเขาน่หกสิบาทต่อลิตรนะของเราก็สามสิบาทสามสอบาท แรงมากไปไม่ได้เมืองที่หลวงพ่อไปเป็นบางปัญหาชายแดดระหว่างไา้ยีสถานกับอินเดียมีแต่ทหารจับปืนจ้องกันอยู่ทุกตารางวาก็ว่าไดเวลาเราจะขึ้นบินขึ้นอยู่สนามบินติดอยู่ยใงสนามบินเป็นชั่วโมงเครื่องบินทหารขึ้นบอลแมลงเ ม, งม่เราก็ไม่มีโอกาสบินติดอยู่ตรงนั้นทําไมจะเป็นอยางนั้นเพราะมันเีามมา็นธรรมะ ต้องฆ่ากันต้องเอาชนะกันของกูของมึงเช่นวัตเตียนี่ยเยมืองแคสเนี ย, เ, นยเป็นเมืองที่มีทรัพยากรมากมีป่าไม้เป็นเมืองท่องเที่ยวสวยงามที่สุดเป็นเมืองแห่งความงามออีฐานก็อยากได้ <Okay. S 1> อินเดียก็อยากได้ก็ <Okay. S 1> เลยแย่งกันเจจากันแล้วก็มาสร้างตาอาวุธแข่งขันกันระหว่างตาออีฐานกับอินเดียมีปรามโนโ น, นิวเคียร <Okay. S 1> เพื่อจะผัดผานกัน เอาชนะกันด้วยกำลังมีปัญญาหาฆ่ากันโดยวิธีใดวิธีหนึ่งเออ น, นี่มันไม่เป็นปขนาดนั้นคนเราน่าสงสารหน้าสงสารกันเนะคนอินเดียก็เหมือนคนไทยคือมีขาสองแขนสองมีกายมีใจมีความอะไรเหมือนเหมือนกันไม่ควรจะไปคิดแบบนั้นหน้าสงสารกันไม่ต้องฆ่าไม่ต้องสร้างสตาวุธมาผ่านๆกันเจ้าบ้านที่นั่น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 ไปทางไหนก็ระวังออกจากบ้านก็กลัวอันตรายมองหน้ามองหลังมองซ้ายมองขวาหลายอย่างที่ทําให้เราผิดบางทีมีรถมีลาเดี๋ยวนี้ก็มีถึงกับพิษในน้ำในดินในอากาศอาหารการกินก็มีพิษให้เหมือนกับสัตว์ดันดึนจะเห็นเหี่ยวบินอยู่ท้องฟ้ามืดเลยเหมือนลมโหมกุดพัดไปไหม้ขึ้นท้องฟ่าบิน โอ้ยเจ้ากับเขาสนุกสารกว่าเราลนะป่าในน้ำทะเลสาโบโฉบออาไปจินแต่คนนอนโอ้ยรับจ้างหาอยู่หาจินแล้วแ้อยู่แต่กินก็ลำบากแล้วยังไประวังโทษภัยอะไรต่างๆเขิ่ยค่ากันนั้นคนภาคใต้เราจะเห็นใครจากไหนขี่รถจากหน้าจางหลังก็ระวงรังล้ว ไม่ควรเป็นอย่างนั้นมาสงสารกันนะเอาเมตตาสงสารกันมันก็มายากหนุ่มเปลี่ยนทัศนโกรธจ้าแปมงเมตตาต่อกันมามีสติเห็น อ, อกเขา อ, อุกเหลนกันน่าสงสารจริงคนเรานะี่ขอให้ที่นี้ เ, เป็นที่ปลดปล่อยเรื่องนี้ให้มากที่สุดละ่ะเรามาที่นี้ให้เรามาปลดปล่อยเหมือนกับอิสิปัตนะบลุคาธาเวันประเทศินเดียเป็นที่ปลดปล่อยสัตว์ทั้งหลาย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 เห็นหน้ากาันรกร็สงสารเป็นมิตรกันทั้งหมดเป็นญาติกันทั้งหมดเลยเขาบอกใครต่อใครว่าที่นี่คือบ้านของเราไม่มีใครแปลกหน้ามิตรญาติแต่เพิ่งเห็นกันเป็นญาติกันมาก่อนแล้วมันจะเป็นไปได้ไหนไหมเหมืองไทยเราเน่ะถ้ามาทําอย่างนี้นะตรงเพราเป็นไปได้ไม่ยากไม่เหลือวิสัยไม่ต้องไปสร้างอะไรสร้างตัวเราเนี่ยสร้างความเห็น เขเห็นของเราเนี่ยเขบอกกันด้วยแล้วเราไม่เบียดเบียนเราเราก็ไปสอนเขาบอกเขาอยากให้เขาเบียดเบียนเขาแล้วเราไม่เบียดเบียนคนอื่นเขาไปบอกเขาอยากให้เขาเบียดเบียนคนอื่นต่อๆกันไปไม่มากคนไทยหกสิบกว่าล้านคนคนเนียเดียดนี่ยพันกว่าล้านคนเรื่มันก็ไม่ถึงปัณนณน์เอ้าถ้ามีสติปั๊บเดียวเลยคนในโลกเนี่ยถ้ารู้สึกตัวถ้าเปลี่ยนความโกรธ เป็นความเมตตาคุณาก็เปลี่ยนได้ทันทีเดี๋ยวนี้วินาทีนี้ทันทีใครที่เป็นผู้ที่บอกกันอย่างนี้มีไหมในโลกน่ะแม้ไปอยู่ในหมู่หลูกพ่อนี่เป็นนักบวไปอยู่ในกลุ่มพระเจอ้างกันพระครูชั้นตีพวกครูชั้นโทวพวกครูชั้นเด็กเจวาคนชั้นสามัญเจ้าคุณชั้ น, น, ว, นวิสามัญชั้นลาดเพราะอะไรเพราะต้องความดีอย่างนั้นอย่างนี้ความดีที่ไหน ว่าเจ้าหมดงินประมาณมัดละหนึ่งก็ได้แล้วตำแหน่งสองปีสามปีหมดกันอด็กละหนึ่งได้ตำแหน่งแล้วโอ้นั้นหรือมาเป็นคุณภาพเร า, เราไม่เป็นพระภูชรูกอยู่นะแต่นะหลวงพ่อเป็นพระภูบางทีเขามาบอกหลวงพ่อไม่เห็นวัดที่เราอยู่นะโอพ้พระภูเช่นพิเศษสะโอ้ยผมอดอผมเจ็ผมท้อแล้วบระโอวา ไ, ได้ พระรุ่นนองเขาไปบ่ได้หลวง พ, อพ่อโบเคื่อนไปทั้งหนามันไปบ่ได้ยักขวงกันเขาโผู้ขวงกันใครหน่าด้วผมเล่ากัานไม่ขวางกันอย่าเอาอันนั้นสิเอาเนี่เอาขนาธรรมเนี่ยได้ไหมพวกเราทั้งญาติทั้งโยมอุา บ, บาจุปาสิกาเช่วยกันอะนี่มาวันใดขึ้นไให้มันเกิดขึ้นหน่อยไว้สักหน่อยอย่ามันช้าเกินไปจนถึงใกลจะตายจะเข้ามาให้คนหมอประจานมาที่มโนหลวงพ่อไปพูดที่หลวงพยอหาน ไปช่วยคนใกล้จะตายวินาทีทองก่อนใ จ, จะขาดก็ดีนะดีกว่ามูลที่เป่าเตึ้งนะถ้าไปคงกันเนี่ขึ้นมามูลที่เป่าเตึ้งไปเจ็บศพกันตั้งมูลที่ขึ้นมาเราไม่ต้องไปทำอะไ่ช่วยกันนลยกลจะตายนะเราพ่อบอกคุณหมอเลยถ้าใครเจ็บปว่วยมากบอกหลวงพ่อด้วยกินดีมากๆนะไปช่วยกันนะเอ้าตอนหน้าก็ยังยังชากันเอาเดี๋ยวนี้ดีไหมเอาต่อก่อนต่เอเดีนี้เี่ยมันดีกว่าเนาะ อ้ชีน้อยก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่วันก็ยังหนุ่มยังสาวอยู่เราให้เท่าไว้กแก่เลยลายเถศพอ่อจะล่างรอพายแต่วันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าชาไม่ได้เดี๋ยวนี้อ่ะเยอะเหมือเด้อเนี่ยเนี่ยนอ้ยยังเสี่ยดีมากนะอยู่ที่ใครมาวัดใครมาที่หลวงพ่อโอ้ยดีใจมากถ้าไม่มีใครมาก็เศร้าๆใจจังหน่อยโอ๊ยเราไม่มีประโยชน์เลยน้องเกิดมาเนะี่เป็นนี่เป็นสินประเทศชาติมากมายถ้าไม่ได้บอกได้สอน ให้คนเป็นคนดีไม่จะใช้หนี้ได้ยังไงเราเป็นหนี้ประเทศชาติมากมายเจ็บไข้ได้ป่วยเงินเสือดทองเอาเงินภาษีกรของคนในประเทศไปซื้ อ, อยาราคาแพงๆขอใช้หนี้ด้วยศอนธรรมะอันนี้ก็มีพม่อโทรมาว่าพระตายแล้วพ่อเป็นคณะผู้ปกครองเขาก็ให้ไปดูพ่อไปไม่ได้หดอกวันเนี่ยเขาอยู่วัดได้ก่อนอลพ่อจะบอกไงก็ตรวจสอบซะเอา เจ้าวาดที่อยู่ตรง น, นั้นแล้ให้เลขาองค์หนึ่งเจ้าวาตรงหนึ่งเอาบาจก บ, บาจการญาติญาตสจีห้าคนแล้วตรวจทรัพย์สินหนังสือสุธิสังกัดที่ไดวัดใดบวชเมื่อไร่มีเงินมีทองเท่าไรมีเจ้าของเท่าไรบันทึกไว้ลงลายมือรายเส้นไว้แล้วก็ให้เก็บจบไว้เผาปีหน้าหลวงพ่อเลยบอกว่าเพราะว่าหน้ามะเขือเนี่ยเป็นปฏิบัติธรรมกันทุกปี เอาเผาในวันปฏิบัติธรรมวันสุดท้ายเอาเข้าเบ้าไว้วิธีทําเบ้าก็อย่าไปใส่หีบที่ดีๆนะให้มันย่อยรองดินได้มันจึงจะแห้งดีถ้าไปาเช็ดห่หอไว้มันไม่ย่อยเรากาไม่มีโอกาสไปไม่ได้ไปแล้ว่านะสั่งบปก็อยากไปช่วยพระตายน่าสงสารน่าสงสารไม่มีลูกไม่หลานนะขอให้พระเป็นทุระนะโยมไม่ต้องเกี่ยว ศพหลงพ่อที่เนี่ยเราจะดูแลจะเป็นผู้ไปรับผิดชอบเพราว่าขอให้เจ็บศพไว้ไม่ต้องทำให้เศร้าหมองคนไปเห็นล้วโอ้ยน่าสงสารน้อพระนะใครเขาเคยไม่อยากบทเป็นพระเหมือนไม่เหมือนญาติโยมเนาะญาโยมเนะี่ย โ, โอ้ยสมบูตณ์สมทนกันตีมีรถแหกันกปแล้วพระนี่ก็โอ้ยน่าสงสารเราก็ยังอยากจะ ศพนี่ว่าจะไปทำลองดูจะบอกวิธีทำศพเก็บศพให้มันแห้งมียาฉูนมีใบมะเขียบบางทีก็อยากช่วยคนตายคนเจ็บคนยังไม่เจ็บก็อยากช่วยเพราะมันเป็นเรื่องน่ายช่วยกันธรรมะนะต้องเสียเงินเสียทองอะไรการช่วยกันดัืงนี้แต่เยินไหมทำได้ไหมบอกอยู่นี่รู้สึกตัวซะ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 ร้อนหนาวเท่าๆกันย่าเบียดเปลี่ยนกันย่าเบียดเบียนตนเองให้สงสารตัวเองไว้ให้มากๆคนเราถ้าสงสารตัวเองไม่เป็นก็สงสารคนอื่นในยากสงสารตัวเราอย่างไนสงสารรูปไปปฏิบัติธรรมอ่ะสงสารรูปพอเห็นรูปเห็นนามเราโอ้ยสงสารรูปไม่มีใครช่วยรูปสักทีเลยสามสิบปีน้าตาล่วงเลย พอมาลู้เลยโอ้ยไม่มีใครช่วยเจ้าดอลูกเอ้อยใจก็ไม่ไปช่วยเจ้าดอกพอฮะอันเหลรอนจอนจัดกลางคืนว่าฝันกลางวันว่าคิดอะไรก็มาเป็นฉุกอะไรมาเป็นทุกข์ไม่ได้อะไรสักอย่างเลยตั้งแต่นี้เราไปอันลูกก็ดีใจก็ดีจะไม่เอาไปทําชั่วไม่เป็นทุกข์แล้ว สงสารตัวเราเมื่อสองสารตัวเราก็สงสารคนอื่นแล้วบ้านะสงสารคนอื่นมากที่สุดเลยอยากบอกอยากสอนอดไม่ได้ไว้ละวเจริญเถรพิกาเวจาริกังพหุเจนะหิตายะพหเจนะสุขายะโลกาณุกรรมปายะไปไปพระพุทธเจ้าบอกพระเาวกสี่ห้ารูปท่ั้นเองไปเถอะไปเถอะไปผู้ประโยชน์ผู้ความสุขแก่มหาชนแกคนหมู่มาก เพื่อลูกพวกเราเป็นพ้นแล้วจะ บ, บ่วงหามาจงไปบอกไปสอนเขาให้รีบจังหน่อยเราจึงทํามุขทะลูกบางเลยาเดินเย็นกี่วันปิวเห็นไหมไม่ใช่มาสอนนัง่งต้องไปนะอ น, น, นั่งก็นั่งไม่ใช่ขี้เกียจสิข่านนะนั่งมีความเอเบอียดใจรู้จักตัวนะไม่ใช่นั่งขี้เกียจนอนขี้เกียจนะตายก็ตายหัดตายบ้างนี่เอาทุกอดีบดเลยเราเนี่ย ทุกอิีบทเป็นปัญญาทั้งนานล่ะ